2. คุณให้เป็นประจําหรือ น, น, นานๆให้ทีสมมุติว่ามีแมวจรจัดเข้ามาป้วนเปี้ยนเป็นขาประจําในบ้านเพียงคุณเจียดเงินวันละ5บาทเป็นค่าขนมแมวไปเรื่อยๆรวม1ปีแล้วจะไม่ใช่5คูณ365รอหกรอกนะครับเพราะชีวิตแมว1ปีซื้อไม่ได้ด้วยเงินเพียง 2,000 บาทแต่ต้องกำลังกายกำลังใจเป็นจานวน365ครั้งด้วย